ผมก็จะเล่าที่พูดค้างๆไว้ตอนที่ทำมาเช้าเมื่อเช้าเนี่ยก็จะต่อที่ทำมาเช้าเมื่อเช้าในป้ไปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่จะเป็นสองทอนนะจะจะเป็นสองทอนจะเป็นสองอารมณ์แต่อารมณ์เดียวนะจะเป็นสองต่อเพราะว่าพูดตอนเช้าเป็นอย่างหนึง่งดังนั้นพวกเราที่พูดว่าอาการเกิดดับ ที่หลวงพ่อพูดให้มาเป็นขั้นเป็นตอนมาที่อาการเกิดดับที่หลวงพ่อพูดนั้นคือมันต้องเป็นต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้องสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นตอนนี้ก็เลยมาพูดเรื่องนี้ก่อนก่อนผู้ใดรู้สภาพอาการเกิดดับนั้นมีอานิสงส์มากกันว่าย่างไงคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็ตาม ถ้าหากว่าไม่รู้สภาพหรือภาวะอาการเกิดดับอันนั้นชีวิตของคนนั้นเป็นหมันเป็นโมคะคำว่าเป็นหมันเป็นโมคะก็หมายถึงว่าได้ผลไม่สมบูรณ์เลือไม่ได้ผลว่า อ, อย่างนั้นก็นได้เกิดมาร้อยวันพันปีก็ตามสู้เด็กคนเดียวเกิดเด็กคนนั้นเกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพหรือภาวะอาการเกิดดับเช่นนั้น คนนั้นนะเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจสภาพอาการเกิดดับแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นคนนั้นดีกว่ามีอายุปเป็นเพียงวันเดียวนะดีกว่ามีประโยชน์กว่ามีค่ากว่าคนเกิดมาร้อยปีนั้นทำอะไรยังบัดนี้ในทางพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันท่านว่าบวชมาได้อายุร้อยพรรษาแต่คนบวชมาอายุร้อยพรรษานั้นไม่รู้จักสภาพหรุภาวะอาการเกิดดับ ไม่ได้สัมผัสและไม่ได้รู้อันนั้นการบวชผู้นั้นเป็นหมันเป็นโมฆะเหมือนกันไม่มีประโยชน์เลยทันวายในทางพระพุทธศาสนานี้ทันวายนะวันนี้บุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นอันบุคคลบวชมาเพียงวันเดียวนั้นมีค่ามีราคามากกว่าบุคคลที่บวชมาร้อยปี ร้อยพรรษานั้นพรรษายัางนั้นอันนี้ให้เข้าใจว่าคือว่ามันเป็นคำพูดมันนี่คนก็เลยไปตีความหมายว่าอาการเกิดดับต้องเป็นอย่างนั้นอาการเกิดดับมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจยังอันที่ผมพูดตอนาวเนี่ยทุกคนต้องประสบอันนี้อันนี้อาการเกิดดับอันนี้มีค่ามากเพราะว่า มันขาดออกจากกันแล้วเราจะรู้เองคนอื่นรู้กับเราไม่ได้เมื่อมันขาดออกจากกันแล้วเราก็รู้จัเามันขาดออกจากกันแล้ววันนี้มีอาจารย์หลายอาจารย์ที่บอกว่าคนที่พูดถึงที่สุดแล้วไม่มีกิเลสแล้วนั้นตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนะเห็นว่าอย่างนั้นวันนี้คนที่ยังมีกิเลสอยู่ตายต้องมาเกิดอีกอันนี้ก็มีความหมายไม่เหมือนกัน หลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งว่าอัยตนะคนยังมีอัยตนะอยู่มันต้องเกิดคนถ้าไม่มีอันยตนะเด้วไม่ต้องเกิอดอันนี้นี่กัคนอาจจะฟังไม่ทูกก็ได้หรือจะทูกก็ได้ตอนนี้ก็เลยมาพูดเรื่องพระอาเดียเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้มีฝใยเส้นเดียวเส้นไหมเส้นเดียวมาคืงไว้ที่ตรงกลางเนี่ย แล้วกับพระอารหันนอนข้างนี้บะเนียสติเพศนอนข้างนี้ก็นอนได้เลยไม่เป็นไรเลยก็แสดงว่ามันขาดหมดแล้วคือสิ่งนั้นมันหมดแล้วเดีว๋ยวมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วเรื่องนี้มันต้องเป็นแล้วยังจะมีญาณเข้ามาลูกอันนี้เป็นจุดสําคัญทุกคนต้องมาที่นี่ที่พูดตอนเช้าเนี่ยถ้าหากไม่มาที่นี่แสดงว่าคนนั้นน่ะจะดํามืดไปเลยจะไม่มีความสว่างในใจเลย เมื่อไม่มีความสาว่างในใจจะมีค้ามีราคาอะไรคนมืดอยู่ในใจแล้วทานว่าอย่างนั้นคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรื่องรูปนามนี่ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องปรัมมัชก็ดีอยู่แล้วเมื่อ ย, ยังไม่ถึงจุดนี้แหะเรียกว่าราคาเรายังน้อยมากยังไม่สมบูรณ์จะว่าการทานให้นกให้สัตว์เนรสารก็ได้บุญเหมือนกันการทานน่ยได้เหมือนกันเรื่องทานวัตถุหรือสลระโทสะโมหะโลภก็ตามจะว่าอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นเป็นเรื่องทาน หรือจะทานให้คนผู้ศีลขอตามทานให้ผู้มีศีลก็ตามทานให้สมณเณรก็ตามทานให้พระประเจ ก, กับพุทธะขอตามทานให้พระพระเจ้าก็ตามอันนั้นนเป็นคำพูดเมื่ออันนี้ยังไม่คาดโยตอว่ะยังมืดอยู่ในใจเรื่องการทานก็เช่นเดียวกันเมื่ออันนี้คาดเสร็จแล้วเราจุดูจาว่าพระพระเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดอันนี้ไม่ใส่อื่นไกลเลยแต่ทุกคนเนี่ยเรียกว่าสัจธรรมต้องประสบอันนี้อุบัติเหตุก็ต้องสุขนี้ เขว่าอุบัติเหตุนะสมมุติเอานะโ อ, โอมาเจสิได้ยัง น, นานมาเจสิไม่รู้จักนะเนี่ยเป็นยางไงเขาว่าอุบัติเหตุเอานั่นรถคว่ำรถชนหรือว่าอะไรตกตายมะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุกันเจ้าอันนั่งกระทุกเหมือนกันคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยทุกคนต้องประสบจริงๆหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้ง คนต้องประสบสิ่งนี้แล้วอย่างน้อยต้องห้านาทีหรือวินาทีเดียวเราก็จะหมดลมหายใจได้เมื่อเราไม่เคยรู้อันเนี้ยเราจะไม่รู้เลยดังนั้นทุกคนต้องประสบอันนี้เลยว่าสัจจะทำแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะรู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันที่พูดมาเนี่ยมันหลายคือรูปน้ําเนี่ยจะรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่พิพตาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นคําเดียวกันแต่ว่า้ มันมันยาวอย่าว่าสัญญาความหมายรู้จําได้เนี่ยมันเป็นสัญญาเพียงจํามาเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสัญญาตัวนั้นจริงๆถ้าเป็นสัญญาอันนั้นธรรมชาติกดธรรมชาติมันจริงๆแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรพันอันนี้ทุกคนเนี่ยหลวงพว่อกล้าได้ว่าต้องตายทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัจจะทำแท้นี่อันนี้เป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าสัจจะตัวนั้นกับตัวนี้มันคล้ายคือกันแต่จําเป็นตัวนั้นเว้าไม่ได้จําเป็นต้องเอาตัวนี้มาพูด มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ความจริงเท่านั้นความไม่จริงนะท่านไม่สอนเรื่องให้ทานเรื่องรักษาศีลทำความสงบเรื่องให้ทานเรื่องรักษาศีลเรื่องทำความสงบนั้นคลายๆคือเป็นเรื่องต้นเป็นเบื้องต้นที่สุดแต่คนก็เลยติดเพียงแค่นั้นจึงว่าการก้าวหน้าไม่ค่อยมี ก็เลยมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับที่เราลงเรือไปเรือเราแตกกลางวังบางคนคนละเล่มกันน่ะเรือเนี่ยสมมุติเอาเรือจะให้ว่ามีเรือคนละลำกันบางคนไปแตกกลางวังลึกๆจมน้ำลึกๆบางคนเรือไปแตกกลางวังแต่ว่าใกล้ๆเข้าไปแต่ฟังแล้วบางคนเข้าไปแตกกลางใกล้ๆแต่ฟังเข้าไปบางคนไปถึงแต่ฟังปุ๊บแตกเลยก็มีเรือแตก เปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นเองบางคนรู้ไว้แต่นานยังตายก็มีบางคนจวนจะตายยังรู้ก็มีบางคนใกล้ๆจะหมดลมหายใจใกล้ที่สุดก็มีเนี่ยยังจะรู้อันนี้ดังนั้นแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นทุกคนหนีไม่พน้นเพราะมันเป็นความจริงทางเราจะไปที่นี่นคือไปตายนั่เองเราจะไปตายนี่เองแต่ว่าตายเป็นหลักตณนอย่างไรจึงว่าผู้ที่รู้อย่างนี้เราจะไม่กลัวตายเลย พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้จ่ว่ายอมเสียสละทรัพย์พละสาระราาวัวะยอมเสียสละสาระาวัฏพละรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตพละรักษาสัจธรรมนัคือความจริงสัจจะอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงรีบพูดให้คนเข้าใจเมื่อคนเข้าใจเราจะได้นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเขาแม้เขาไม่ถึงที่สุดเขาก็จะได้พรอคลายคือว่าหนักให้เป็นเบาเข้าไปคือรว บ, บโลภโกรธหลงนี่นจีว่า เป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่มันจะขยับเข้าไปถึงอาการเกิดดับอันนั้นจะ่ว่าอาการเกิดดับอันนั้นอ่ะมันขาดแล้วดับศูนย์ไปแล้วอืมแต่ว่าคนที่ขาดศูนย์ดับไปแล้วเรียกว่าพระญาบุคคลท่ันวัยจำลางเนละคนที่เป็นพระญาบุคคลนั้นตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกวันวันนี้คนที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นตายแล้วจะได้มาเกิดอีกว่านีหลวงพ่อเคยถามเพื่อนหลายๆคน บัานี้สัตว์ที่เคยกินอาเจียนตัวเองนะ่ยมีอะไรบ้างเคยถามอย่างนี้หลวงพ่อแน่เป้าหมายอันนั้นเองแล้วเราก็เห็นด้วยตากันอีกด้วยนี่นะคนนี่อาเจียนออกมาแล้วไม่กินเพราะฉะนถ้าเป็นสัตว์แล้วอาเจียนออกมาแล้วกลับกินได้อันนี้ก็เป็นคําเดียวกันที่คําที่หลวงพ่อพูดว่ามันหมุนไปเองมันมันเป็นไปตามธรมรมชาติของมันไม่ถึงตายนะหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยสมมติเรามาปฏิบัติธรรมะนี่เอง รู้จักสภาพภาวะทุกข์แล้วกลับไปเหตุทุกข์อีกแล้วเนี่ยอันนั้นแสดงว่ารู้จํารู้จักแต่ยังไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงเหมือนกับที่เราไปฟังเทศคูบาอาจารเทศเนี่ยอเฮาะดีอจุใจดีเนี่ยแต่ความจริงเขาเอาอะไรให้กับเอาไปหมดริงว่าสุ น, นัขมันกลับขึ้นไปกินอาเจียนมันอีกได้เหมือนกับที่เอาไส้เส้นเดียวมาคขึงไว้ที่ตรงนี้สติเพกกับพระเดียดคนนอนไม่เป็นไรเลยอบัติไม่มีท่านวายอย่างนั้นพอแม่เราให้ฟัง กูบาอาจารย์นายฟังเนื่องจากมันขาดไปแล้วถ้ามันไม่แ ม, ม้ขาดแล้วก็แปลว่าเป็นอาบัติเสมอไปเห็นว่าอย่างนั้นแต่ความหมายมันกว้างแต่ความเดียวนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนจิ๋ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวขาดเลยแล้วกผมก็ไม่ยาวอีกสักทีแล้วหลวงพ่อไม่เข้าใจทีแรกโอ้ขวมจริงแม่จะพูดร้อยคําพันครับมีจุดสําคัญคือจุดเดียวเดียว่าจัดจะทำแท้จิ๋ไม่เปลี่ยนแปล ง, ไ ม, ปลปลงไม่แปรผันคงที่ถาวรตลอดเวลา หลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นใครจะพูดอย่างไรก็ตามหลวงพ่อฟังได้แต่ว่าพูดอย่างนั้นหลวงพอรู้จักพูดอย่างนี้หลวงพอรู้จักไม่ใช่หลวงพ่อจะเป็นพระเรียบุคคลท่านนั้นท่านี้หลวงพอรู้จักเองเพราะหลวงท่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เข้าใจเลยเคยให้ทานมาเคยรักษาศีลมาเคยไปทําความสงบมาไม่รู้เลยความสงบนี้หลวงพ่อไม่รู้ รู้ว่าสงบเนี่ยไปนั่งภาวนาดูลมหายใจมันสงบอันนั้นไม่ใช่สงบคนไม่อยากสงบเนี่ยสงบไม่อยากสงบพูดยังไงดีควมสงบไม่อยากสงบอะนนัเนี่ยคนนั้นไม่อยากสงบคืออยากไปติดอยู่แค่นั้นเองจ้ะควมสงบไม่อยากสงบอันสงบแบบหลวงพ่อพูดนี่คือมันขาดออกไปแล้วแต่ว่าสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เนี่ย วมเพิดเพ ล, ลินเจริญใจเป็นอย่างนั้นทีว่ามันเพลินกับอันนั้นเองหรือมันอยู่กับเช่นนั้นเองมันเป็นสภาพเช่นนั้นของมันมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนต้องไปประสบอันนี้หนีไม่พ้นนี่แหละอาการเกิดดับแท้รับรองแทนพระพุทธเจ้าว่าทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพาะสงฆ์องค์เจ้าต้องประสบอันนี้และกนไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยเสด้วยนะคนจีน คนฝรั่งเศสคนอเมริกาหรือว่าให้ว่าคนนี่แหละจะถือศาสนาไหนก็ตามจะเป็นเพศใดก็ตามต้องประสบอันนี้จริงๆเรียกว่าสัจจะแท้ไม่ต้องไปศึกษาว่าศาสนาคิดศสาสนาพราหมณ์ศาสนาอินดูอิสลามทั้งหมดเลยมันจะมารวมจุดนี้ถ้าหากไม่ม้วนศพมันลงไปแล้วแต่ว่ามีความสงสยัยลังเลใจกังวลใจคนกังวลใจแสดงว่า มันมืดอยู่ในใจมันเพราะมันยังไม่รู้จักทิศทางเรือมันแตกกลางวังน้ําท่วมหัวยันแมลงแดมก็ไม่บิดหัวเลยก็ย่างดีโม้ขึ้นก็ยิ่รู้จักมะพร้าวนี่นะมะพร้าวดิบห่อไปโยนใช่ไหมนี่มันโจมแต่มันมันผูแปลี่ยนได้ไหมมะพร้าวแห้งเนี่ยไปโยนปุ๊บนมันพดขึ้นมาเกิดบิดน้ำมะพร้าวดิบดิบเปียวๆเข้าไปโยนปุ๊บลงไปได้ยันมาค่อยฟูขึ้นมาน้ามันยังท่วมหลักมันอยู่มะพร้าว เมฆพายเห็เนโยนปุ๊บลงไปซิมันจมปิ้งมันร้อนดันขึ้นมาจากพ้นน้ำขึ้นมากับฟูขึ้นเปน้ำสมมุติให้ฟังอันคนสงสัยลังเลใจถือศาสนาอะไรก็ตามแสดงว่ายัางไม่รู้จักทิศทางยังไม่รู้จักทางออกเลยเหมือนกับนกขังไว้ในตู้นี้เองแม้จะเรียนมหาจบประโยคเก้าก็ตามแม้เรียนทางฝ่ายโลกได้ปริยัตเอกจากสิบปริยัตเอกก็าตามคันถ้าไม่รู้อันนี้แสดงว่า ปาดหรือบัณฑิตแบบนั้นยังปาดตำลาบัณฑิตตําลาถ้าคนเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังซื้อไม่ได้คนเหงะยังไงก็ตามเมื่อเขาพ้นไปจากอันนี้แล้วนั่นแหละปลาดแท้บัณฑิตแท้อันนั้นนะ่ะควรศึกษาและควรปฏิบัติเนีย่ยว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรม ไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเราไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้จริงๆไม่รู้ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไปเห็นอาจารย์องค์ใดว้าเก่งก็ต้อแม่เพาะหมูนี่ท่านรู้ดีเนี่ยได้ยางนั้นองค์ใดพูดไม่เก่งไม่เพราะยไม่เป็นหน้าฟังไม่รู้อย่างเพราะเราไม่รู้เรายังเป็นน้ํากับมะพร้าที่โยนตุ้มหลงไปมะพร้าเปียกมะพร้าวแห้งนะเอาลองก็ได้บ้านวัสนามไหนเนี่ย ไปถามมุคูบานี่หลายองค์ขออมมะพร้าวเนี่ยโยนลงในคอในหน้าท่านถามหลวงตาอะไรหลวงตาหลวงตาพไปทูล น, นี่ก็ได้หลวงตาไปทูลขอมะพร้าวจากลูกหน้าท่านเอาเอามมะพร้าวแห้งสักลูกหนึ่งในมะพร้าวดิบสักลูกนึ่งไปโยนนี่ก็ได้ทดลองก็ได้นี่เป็นพิสูจน์เห็นด้วยตาวัตถุอันนี้นี่แหละจช่ไมันมีความสงสัยเพราะเราไม่รู้จุดนั้นเพียงแต่ว่าหานให้ใครก็ได้ ได้คือการบุญนะแต่ว่าจุดนั้นไม่ใช่เป็นบุญแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นว่าทยเนือทุกเหนื้อสุขเนื้อดีเหนือชั่วอะไก็เนื้อคนอะไรก็อะไรเพราะมันไม่มีอะไรคนเราเราต้องเห็นอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าฐานให้พระโสดาบาันนั้นท่านจะซีไปเลยไปนี่แต่จะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แหละเหมือนกับที่เราเรือเราแตกกลางวังเนี่ยน้ำมันไม่ลึกเท่าไหร่เรือเราแตกปุ๊บเราจมลงไป เรายั่งถึงเพียงคอแต่จะยื้เพียงคอนั้นไม่ได้มองเห็นทางฟังจะเดินไปไม่ได้น้าไหลไมันต้องลอยไปแบบนบางทีไม่ถึงแต่ฟังตายกลางวังก็ได้อืบางทีคนที่ว่าเรือพายเรือไปเลยมันแตกปัว้วเลยไปเหือแล้วเพยนะสมมติเอานะเหือแล้วโป๊ดไปแตกน้ํากลางหลังเพียงกลางขานี่เขาเดินไปแบบนี้น้ำท่าน้าเขี้ยวน้ําไหลแรงๆมานะหลวงพ่อเคยเปรีนะยบเทียบเร่องที่ฟังจั่งไม่อยู่เลยจําเป็นต้องล้มลอยไป บางทีไม่ถึงแต่ฟังตายก็มีนี่บัดนี้คนที่เหลือผ่ายไปใกล้ๆแต่ฟังเลยแตกปุ๊เลยบดัดนี้นาพอเพียงกลางแทงเนี่ยเดินไปได้สบายไม่จะไหลขนาดใดก็ไม่ล้มเลยค น, นเดินไปได้ขึ้นไปบนบกได้สบายอันนี้แสดงว่าคนที่รู้จักจุดที่หลวงพอพูดเลยรู้จักจุดจะไปไว้จุดไหนนี่เขาว่าอย่างนั้นมีความหมายอย่างสันเรียกว่าวันนี้ต้องมาแสะกันเพราะว่าตอนสันนี่ต้องพูดให้ฟังคนมาปฏิบัติธรรม ต้องเข้าใจอย่างนั้นแม้จะไปเป็นครูสอนคนก็นต้องเข้าใจอย่างที่ตัวเองอย่าไปเข้าใจคนอื่นบัด น, นี้คนอื่นจะรู้ตัวเราเนี่ดีเหนือเราไปไม่ได้ที่ว่าสัมมาทิฏฐิกับนิสสัตทิฏฐิมาอยู่ที่ตรงนี้ทิฏฐิเราเห็นอย่างนี้เห็นว่ามันถูกต้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไงก็เรารู้พระพุทธเจ้าว่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ท่านก็นว่าคือให้ทานรักษาศีล ทำความสงบธันวาอย่างนี้และเข้าสารออกสารทันวาอย่างนั้นคําพูดเรื่องเหล่านี้และอาการเกิดดับพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวหรือว่าเสี้ยงท่าเสี้ยงขันอะไรทั้งหมดเลยมันจะมารวมจุดนี้เมื่อรวมจุดนี้ปุ๊บเราจะรู้จักทั้งหมดเลยไม่มีการปริดบังทั้งหมดเลยเดียว่าเราได้กระเจะลูกเอกแล้วเนี่ยเปิดปับ๊บไขออกมาเลยเราจะได้รู้ดีอันนี้เลย ว, ว่าทางด่วน ไม่มีไม่มีติดไฟแดงไฟขาวไม่มีติดไฟเลยทางด่วนเลเราเคยพูดกับเพื่อนหลายหลายคนคนเกิดมาจะนอนกิ้งพลิกไปหรือจะเดินไปที่ไหนหรือกับว่าคนเดินเกิดมาแล้วคานไปแล้วก็คนเนี่ยยางไปคนนึงวิ่งไปคนนึ่งขี่ล้อขี่เกียรไปคนนึ่งขึ้นรถยนต์ไปคนนึ่งขึ้นขึ้นบินไปใครจะดีกว่ากันแต่อันตรายมีเหมือนกันนะสมมุติเอานะ ถ้าคนกิ้งไปกระบางเททุกหลักทุกต่อก็มีเจ็บก็มีคนคานไปกระเดมนีนเจ็บปวดรวดร้าวก็มีตายก็มีเนี่ยไปยังวิ่งไปบันเนียไปสนหลักส่วนต่อมันไปแลงเนี่ยเร่งไปตายก็มีเนี่ยไปยังไะไม่ถึงที่ก็มีบันเนียคนนั่งรถยนต์ไปถ้างรถคว่ำตายก็มีเพราะคนขับไม่ดีเนี่ยรถก็ไม่ดีเนี่ยเป็ยังไงคนขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินไปเสียกลางอากาศตายก็มีเนี่ยมันสมมติไงวะ ให้รู้จักจริงๆถ้าหากไม่รู้จักจริงๆเลยเราจะเกอ้อเขินนี่การที่สอนคนก็ตามลรือพวกเราที่ไปปฏิบัติก็ตามเลือกไม่ได้เลือกครูเลือกอาจารย์ไม่ได้แล้วก็ซื้อเสียงอันใดอาจารย์องค์ใดดีมีซื้อเสียงหลวงพ่ชอบอยากไปอย่างข้อมจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ผู้ข่มจริงโดยโดยเปิดอกวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะวันที่สองตีใหม่นวันนี้เป็นวันสุข วันที่สองวันศุกร์เดือนมกราสองพันห้า้อยสาสิบเป็นปีใหม่ล้วนๆไม่ใช่ปีเก่าแล้วจะพูดเรื่องใหม่ล้วนพูดเรื่องคนที่จะไปใส่เรื่องชีวิตของเราจริงๆถ้าหากว่าเราไม่รู้อย่างเนี้ยให้ฐานดีแล้วรักษาศีลดีแล้วไปทําความสงบดีแล้วแต่ว่ามันไม่รู้อันนี้จะให้ทานก็ได้รักษาศีนก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไม่รักษาศีนก็ได้ ไม่ทำความสงบก็ได้ทาความสงบก็ได้เมื่อถึงจุดนี้เราเรียบร้อยทุกอย่างประมวลลงนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นจิงสภาพว่าสัจจะทำแท้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกคนต้องตายจริงๆตายจริงๆแต่ในขณะที่เราจะตายนี่ได้มีครูบาอาจารย์น้อ้ฟังว่าพระพุทธเจ้าจะตายแล้วทกพรสสาวะเข้าสาลตามไปอันนั้นมนเป็นคำพูดนะคือรู้วิธีอันนี้ ภาษาวกต้องรู้อย่างนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้แปลว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เข้าสารตามพระพุทธเจ้าไปแล้วโอ้พระพุทธเจ้าเข้าสารนั้นสารนี้อันนั้นเป็นคําพูดของคนที่พูดอย่างนั้นตัวหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้นี่มีใครมาโจดเป็นอบัติปรัศชิกาจากกรมพิพิธศูน์แล้วได้ไม่งอเลยคนจะพูดอย่างไงก็ไม่งอเลยเพราะจะพูดความจริงแล้ววันนี้ถ้าไม่พูดความจริงแล้วก็มันจะเป็นโรคเลื่อดลัง ถ้าหากไม่มีความสามารถพาตัดแล้วก็ไม่ดีเลยที่หมอกับคนป่วยเนี่ยคนป่วยไปโรงพยาบาลนะบางคนหมอก็จะไปลูกขำให้เอายาันี่ยให้กินแล้วก็ระงับได้แต่ว่ายากแก้ปวดหัวก็ได้ยากแก้ปวดเนยก็ดีได้แก่มันไม่ดีมันจะกลับขึ้นมาปวดอีกตื่นถ้าหมอดีเขาจะเข้าไปปวดนะยังสมมุติหลวงพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยเขาตัดตัดมันไม่หมดเหมือนกันกลับขึ้นมาเป็นอีก ถ้าหมอดีเขาจะตับพุทธทั้งหมดเลยแล้วโลกอะไรจะไม่กลับขึ้นมาจริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าหากไม่รู้อันนี้แล้วคนนั้นจะซีจุดนั้นจุดนี้ไปไม่เสารึแล้วเราเป็นพุกไม่รู้นักกายวิวัฒจุดนั้นสําคัญจุดนี้สําคัญสําคัญทุกจุดแต่ว่าจุดเดียวนี้สําคัญจุดนี้แหละสําคัญทุกคนน่ะทุกคนจะประสบเรื่องนี้จริงๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่มากก็น้อยทีเดียวแต่ว่าป๊ดนี่ เนี่ยอันนี้หลวงพอ่อได้ยินพ่อแม่ปู่ยา่าตายายเล่าให้ฟังคนเกิดมาเนี่ยทําบาปทํากรรมยังไงก็าตามจะไปตกนรกตกอวิชีที่ไหนพวกหลวงพ่อให้รู้ข่าวนั้นครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังคนเป็นอนันตรกตกรรมท่านว่าภาษีอันนี้ไม่ไตรเนี่ยมีอายุแปดหมืนปีท่ า, านว่จาจะมาเป็นพระมหากษัตริย์ฮองราชสมบัติอยู่สี่หมืนปีและจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระลาหนพระศสีอันนี้มาแต่ในสี่หมื่นปีนะวะแล้วคนที่ทําบาปกำหนักจะเป็นจุกย่อวิจีพุ่นพระศรีอันนี้ไม่แต่มาเกิดมาจัดสรุปประกาศพุทธศาสนาอยู่สี่หมืนปีบันนี้คนตกอยู่ในอวิจีภูนเห็นแสงพระสรีอันนี้มาแต่แป๊บพอปั่นฟ้าแม่นี่ว่าพอแม่วาดวังอันนั้นก็นคาเดียวอันนี้นี่เองไม่อื่นไก่เลยมันประมวลลงที่วัดสัจจะทำแท้ทุกคนต้องหนีในคนนะ่ะเดี๋ยวนี้กล้าได้จริงๆ กล้าได้มาจริงๆเพราะยี่สิบกว่า ป, ปีแล้วพูดมาอย่างนี้มาใช่ไหมรู้อย่างนี้แล้วเออนี่ของจริงแท้ๆจีบไปฟังได้ทุกคนใครจะพูดยังไงฟังได้แต่ว่าพูดไปอย่างนั้นแหละสีโนนสีดีทิศนั้นทีนีน้เอาทิศใดก็ตามเถอะมันจะไปที่ไหนก็ไปเถอะมันต้องประมวลลงนี้งั้นทุกคนต้องตายฟังเอาเพตายจริงๆตอนที่จะตายเนี่ยเราจะดำมืดตายหรือเราจะใต้ไฟตายเท่านั้นเอง ถ้าหากเราใต้ไฟเดินทางเดี๋ยวนี้นี่ก็ไฟมอดกันยังจีรลาบากนะถ้าไปกลางวันน่าจะไม่ลําบากเลยเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันการฟังเท่ใครจะพูดเรื่องใดฟังได้เพราะเรามีหูทิพย์แล้วเข้าใจแล้วธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ลึกนับและก็สบายที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเมื่อยังไม่มีปัญญากขฟังยากเมื่อมีปัญญาเมื่อเห็นแจ้งลู้จริงฟังสบายแม้จะพูดงด่ายแต่เขาต้องมารวมจุดนี้ พูดง่ากับเดวทัารุลตรงนี้จังหวะภาษาวโเข้าสารตามพระเจ้าไข่หัวพระองค์ไหนเถามมหาลิเลกจะรู้จักดิองค์ไหนเข้าสารกับพระเจ้าตายเข้าสารอันนั้นแสดงว่ารู้จักเหมือนกันกับพระเจ้าทันว่าอย่างนั้นให้เข้าใจใกล้ๆพระพุทธเจ้าสอนยังไงรู้จักตามขั้นตอนไปกับพระเจ้าทันว่าอย่างนั้นแต่เราก็เลยเข้าสารตายพระเจ้าตายแล้วกลับคืนมาเข้าสารแล้วออกสารได้อันนั้นเป็นการเข้าใจถูกแล้วแต่ว่าถูกแบบอยู่ในถ้ำ ถูกแบบอยู่ในถ้ำไม่รู้จักรูปทรงของถ้าถูกอยู่แบบในมุงไม่รู้จักรูปทรงในมุงไม่ได้ออกจากมุงเลยอันนี้ก็แสดงว่ารู้อย่างไม่รู้รู้อย่างไม่รู้สงบไม่อยากสงบให้เข้าใจอย่างนั้นแต่อย่าสุดเสื้อลุงพ่อนะที่ว่าคำสอนทุกประโยชน์พระพุทธเจ้าตัดบอกอย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมา อย่าเสื้อถือเห็นเขาทํากันมาอย่าเสื้อถือว่ามันมีในตาําราอย่าเสื้อถือแม่ครูบาอาจารย์ของตัวเองกันทั้งนั้นแล้วการคาดคิดโดนเดาไม่ได้ธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดคําสอนของเจ้าจะคิดเอาล่วงหน้าไม่ได้จะรู้ก่อนไม่ได้หลวงพ่อก็เคยคิดเช่นเดียวกันว่าตงความหมายมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเป็นอนันตริยกรรมไม่อึนไกลเลยพวกปกล้าอย่างนี้แหละนี่ออกเป็นเหล็กเหนียวแท้ๆนฟันคาดจริงๆ นี่แหะถ้าไม่พ่าตัดลงเขาเนี่ก็ต้องมันจะเป็นโรคเรื้อหลังมันเป็นโรคเรื้อหลังจริงๆถ้าหากไม่พาตัดลงแล้วมันจะค่อยก่อตัวมาเป็นโรคเรื้อหลังดังนั้นให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องพยายามตัวเราคาดคิดไม่ได้ตําราจะไปเสื้อมันจะอย่าไปทําลายตํารานะเราต้องพยายามปฏิบัติให้มันเป็นระยะมันเป็นอะ่ะไม่ต้องถามใครเลยหลวงพ่อเปรียบให้ฟังแล้วเนี่ยสิ่งช้อน นึกว่าผมบอกทั น, กนว่าคันเพมันได้เคาะเลยอั oh. <laughs> เอาและที่พูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี่ขอให้พวกเราทุกคนทางพระสงฆ์องค์เจ้าและญาติโยมผู้ที่มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติธรรมในระยะเวลาวัดสนามไหนเปิดอบรมมาตั้งแต่วันที่สามสิบตอนเย็นวันที่สามสิบเอ็ดลงมือทากันมาอย่างจริงจัง วันที่หนึ่งวันนี้ก็หนักเข้ามาวันที่สองวันนี้ก็คงจะจริงจังกับวันที่สาเอกับวันที่หนึ่งเพราะวันที่สองวันที่สามเขจะเข้ ม, มงวดก่อไปวันที่สี่เขจะเล่งรัดตัดตอนบางทีอาจจะประสบ ป, ปุ๊บออกก็ได้นะดังนั้นครูบาอาจารย์พระพ่เลี่ยงหลายองค์ก็ต้องคอยแนะนําตามจังหวะผู้ที่มีศรัทธาก้มหน้ามาให้เราสอนจริงๆแล้วเราต้องสอนจริงๆ ดังนั้นวัสนามไหนในขณะนี้นะนนเนี่ยผ้าจานวนเนี้ต้องอยู่ในความปลุกพองของอาจารย์ทองอาจารย์ทองต้องพิกได้แล้วก็ควบได้หงายได้แต่ไม่ใช่พิกปี น, เ, นเราต้องปรึกษากันจะทําอะไรพูดอะไรต้องประสมประสานกันเมื่อเราประสมประสานกันแล้วงานก็ต้องเดินไปจะมาถึงจุดนี้จริงๆถ้าหากว่าไม่ประสมประสานงานกันแล้วคนนั้นดึงไปคนนี้ดึงมาเหมือนกับนกขังอยู่ในกรงนั่นเองออกไม่ได้ เลยจะเปรียบว่าเรือเราไปแตกกลางวังนน่าจะท่วมศรีรษะเรายันขึ้นมาไม่แรงมันจะไม่มองเห็นเตอฟังเลยถ้าหากว่าเรือแตกใกล้ๆกลางเตาฟังแล้วเราจะมองเห็นถึงไปไม่ได้ก็จะไม่สงสัยขอให้ทุกคนทุกคนพบเอากับซีบิทันประเสริฐจริงๆในระยะอัไกลเด็จงทุกๆุกคนถเถอดในตัวระยะเวลาที่สันอาหารกลางวัน วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบวันนี้เป็นวันสุขในขณะนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงกับสิบห้านาทีครับพวกเรามาปฏิบัติธรรมมาโดยที่ลงมือกระทำ ไม่ได้อาศัยการฟังมากอาศัยการปฏิบัติให้มากการปฏิบัติธรรมวิธีที่พวกเรากําลังฝึกหัดหรือทํากันอยู่ในขณะนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําแต่คําพูดในตํารานั้นเป็นเพียงทางทฤษฎีเท่านั้นแต่การกระทํานั้นเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคนเราทุกคน มันมีการเคลื่อนการไหวการไปกันมาเดินหน้าถอยหลังดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราทุกคนมีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอธิยบุตรทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติรู้นั่งก็ให้มีสติรู้นอนก็ให้มีสติรู้เดินไปไหนมาไหนให้มีสติรู้ เรียกว่าเป็นผู้มีสติไม่เป็นคนหลงตนลืมตัวแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอพระองค์ท่านสอนให้ทุกคนมีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิเดียบุตรย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเดก็าตามเช่นก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาพิจตาหายใจอ้าปาก เกินน้ำลายลงไปในลำคอเราก็ให้มีสติเข้าไปรู้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญปัญญาพูดอย่างที่คนธรรมดาพูดนั่นน่ะเรียกว่าทำสมาธิดังนั้นการทำสมาธิจึงมีหลายแบบหลายแผนคำว่าสมาธิบางคนก็ต้องไปนั่งดูลมหายใจนั่นก็เป็นสมาธิ บางคนก็ต้องไปนั่งภาวนาพุทโธบ้างสัมมา阿拉หังบ้างอันนั้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิในที่นี้สมาธิคือตั้งใจมัน่นทำการทำงานพูดคิดหรือการเอียงซ้ายเอียงขวาเหลียวแหลก้มเงยโดยวิธีการรู้สึกตัวคนท่าหากว่า ไม่รู้สึกตัวแล้วก็แสดงว่าไม่มีสมาธินั่นเองการพูดมันจึงไม่เหมือนกันดังนั้นคําว่าสมาธิก็ไม่เหมือนกันที่ผมเคยทํามาสมาธิแบบที่นั่งหลับตาภาวนาพุทธโธบ้างสัมมาอะระหังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างดูลมเข้าลมออกเลียคลองหนอยุบหนอนี่ก็ทํามาหรือว่าอาณาปานาสติ หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวลมหยาบลมละเอียดเหล่านี้ก็เคยฝึกหัดและเคยทำมาเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านั้นได้ความสงบแต่ไม่ใช่ความสงบอย่างที่ผมพูดในขณะนี้ความสงบแบบนั้นสงบแบบไม่สงบหรือสงบแบบไม่อยากสงบว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสงบอยู่คนเดียว นั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมาพูดมาจาและไม่ได้มองเห็นอะไรก็สงบได้เพราะเราหลบตัวหนีนั้นถ้าสงบแบบนั้นจะทำการทำงานอะไรไม่ได้ดังนั้นสงบแบบนั้นเรียกว่าสงบสมถกรรมฐานฐานทันวัดสมถกรรมฐานเป็นอุบายให้สงบจิตเหมือนกับเอาหินหรือเอาศิลาไปทับหญ้า ในขณะเหินหรือศิลาอยู่บนดินทับหญ้าอยู่หญ้าก็ต้องตายจริงๆแต่ว่าดินมันซุ้มมันเย็นเมื่อเอาเหินหรือเอาศิลาออกจากบนดินแล้วญ้ามันงอกขึ้นมันโปร่งขึ้นงามกว่าเดิมก็มีเพราะดินมันซุ้มมันเย็นอันนั้นเรียกว่าสงบแบบไม่สงบให้เขา้าใจอย่างนั้นบันนี้วิปัจนากรรมฐานก็เรียกว่าสงบเหมือนกัน แต่ว่าว <HHH> ิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ได้สงบแบบนั้นสงบแบบการเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงเห็นยังไงเส้นคนเดินไปเดินมาก็เห็นจะเป็นรูปหญิงก็เห็นว่ารูปหญิงจะเป็นรูปชายก็เห็นว่าเป็นรูปชายจะเป็นรูปคนเท่าคนแก่ก็เห็นเป็นรูปคนเท่าคนแก่จะเห็นเป็นรูปคนหนุ่มคนสาวก็เห็นเป็นรูปคนหนุ่มคนสาว หรือจะมีอะไรผ่านไปก็ต้องเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นแจ้งแต่ว่าสงบแบบนี้อะทีแรกมันต้องรู้จักตัวเองจึงจะให้มีวิธีทรมีวิธีทมเส้นสร้างจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออกเดินไปเดินมาไม่ให้อยู่นิ่งๆต้องเคลื่อนไหวตัวอยู่ตลอดเวลาจึงจะมีปัญญาสามารถรู้จริงตามความเป็นจริง อันความรู้สึกตัวนั้นเราเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จําได้หรือว่าอย่างนั้นคําว่าสัญญาในที่นี้เราก็ไปเรียนหนังสือหรือว่ามีสิ่งของอะไรวางไว้ที่ไหนสัญญาจําได้อันนั้นมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เป็นสัญญาวิปัสนาแต่ว่าคนส่วนมากเพราะว่าเห็นสิ่งนั้นแหะเป็นสัญญาของวิปัสนาคําว่าสัญญาความเดียวนี่มันมาก คำว่าสัญญาหมายถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อว่าอย่างนี้แล้กระจนได้เอียงซ้ายเอียงขวารู้สึกตัวเรีื่องสัญญาอันนี้พิตามือขึ้นหลับลงให้รู้สึกอันนี้เรว่อสัญญาอันนี้ตามันเลือกซ้ายแล้วขวาให้รู้จักอันนี้เรว่อสัญญาอันนี้บันนี้จิตใจมันนึกมันคิด ให้รู้จักเรียกว่าสัญญาอันนี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะควมคิดตัวเองได้อันนี้เป็นเมืองแรกเมื่อรู้อย่างนี้รู้มากเข้ามากเข้ามากเข้ า, า, เ, ขาเหมือนกับเราเอาน้ำเทใส่ขวดแก้วเนี่ยบ้านของพอเลวน้ำใส่ขวดแก้วเอาน้ำเทใส่แล้วมันเต็มมันเต็มแล้วน้ำ ม, มันล้นแก้วมันไหลออกไป เมื่อมันน้ำไหลออกไปมันทูกดินดินมันกระซุ่มกระเย็นเมื่อดินซุ่มดินเย็นแล้วหลักไม้อยู่ใกล้ๆน่ะมันก็เข้ามาดูดซึมออกไปเรียกว่าเป็นการบำบัดหรือว่าบำรุงให้ฟุ่นให้ปุ๋ยให้น้ําต้นไม้กระงามดังนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมันรู้สึกตัวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเรียกว่าสัญญาอย่างสมบูรณ์เมื่อสัญญาจําได้เกิดญาณปัญญา ญาณก็จึงว่าเข้าไปรู้สัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเรานั่นเรียกว่ายาณของปัญญาปัญญาก็รอบรู้คือรู้อะไรรู้ตัวเราเส้นตาก็เรียกว่าตาคนไทยพูดเรื่องตานะแต่คนฝรั่งหรือคนจีนคนอังกฤษคนอเมริกาอย่างคนขเขมรคนยวนคนลาวนี่จะพูดยังไงไม่รู้หรือเพื่อนเพื่อนเราอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้เพราะว่าหลวงพ่อรู้ถ้ามีคนพูดเรื่องตาหลวงพ่อก็รู้ตาหลวงพ่อมี ถ้ามีคนมาพูดเรื่องหูหลวงพ่อกั็หูหลวงพ่อก็มีหลวงพ่อก็ได้รู้ทันทีเลยมาพูดเรื่องดังบ้านหลวงพ่อเรียกว่าดังส่วนมากถ้าหากพูดจะมูกในบ้านหลวงพ่อไม่รู้จักเพราะว่าเคยพูดกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเรียกว่าดังปากนะดังปากกายใจบ้านหลวงพ่อถ้าพูดอย่างนั้นรู้จักถ้าพูดว่าจะมูกนี่อาจจะไม่รู้จักถ้าว่าพูดว่าดังปากกายใจรู้จักทันที เพราะว่าตัวหลวงพ่อก็มีเช่นนั้นแหงขามือเท้ารู้จักทันทีดังนั้นจังหวรู้จักตัวเองดีมากแก่คนอื่นนั้นไม่รู้เลิกคนอื่นจะรู้อย่างไงไม่ทราบจัรูร้จักตัวเองดีพอคนอื่นนั้นจะรู้จักตัวหลวงพ่อมีอะไรนั่นไม่รู้เท่าหลวงพ่อเองพราะตัวหลวงพ่อต้องรู้หลวงพ่อเองดังนั้นพวกท่านพวกคุณพวกหนูหนู ทุกคนคงจะรู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นรู้คำว่ารู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นรู้นั่นรู้อะไรอย่างไงก็รู้ตัวเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมาอยู่ที่ตรงนี้คำว่าสัมมาทิฏฐิก็หมายถึงเห็นถูกต้องทันว่าอย่างนั้นหรือเห็นชอบทันว่าอย่างนั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่าว่าไม่เห็นถูกต้องไม่เห็นชอบทันว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าสัมมาทิฏฐิควมเห็นชอบ ผมเห็นถูกต้องและจะให้ใครมาตัดสินให้เราก็ต้องเราตัดสินเอาเองว่าตัวของเราไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวเห็นถูกต้องเห็นตาเรามืนหลับลงหูเรามีคนพูดได้ฟังเนี่ยเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นจริงๆเพราะทุกคนไม่อย่างนั้นจริงๆรเดี๋ยวเห็นตาเห็นหูเห็นดังเห็นปากเห็นกายเห็นใจนี่จะเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นเดอ๋ เห็นสิ่งอื่นให้หลวงพ่อแม่เข้าใจนี่มัเห็นถูกต้องจริงๆริงยังเห็นสัตว์อย่างสุนัขบ้านหลวงพ่อเรียกว่าหมายังเห็นสุนัขเนี่ยเรียกว่าหมาสีดําสีแดงหรือสีขาวสีอะไรก็รู้ทันทีด้วยเห็นถูกต้องจริงๆเห็นอันนี้ยังที่หลวงพ่อเคยทํากับครูอาจารย์มานั่งภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอ拉หังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างหรือว่าพองยุบ ดูลมหายใจอาณาปานสตินั้นทันวัดเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์หรือเห็นลูกแก้วเห็นพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นหลวงพ่อไม่เห็นแต่เห็นก็ไม่เป็นของจริงมันเป็นมายาครูบาอาจารย์ท่านว่าใกล้จะเห็นธรรมะแล้วแว่าเห็นนิมิตแล้วเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นตัวเองก็ขยันเข้าอยากเห็นธรรมะอยากเห็นของจริง อันนั้นแสดงว่าคนที่สอนกอรู้อย่างนั้นมาและคนปฏิบัติก็รู้อย่างนั้นมาก็สอนติดปิดกันมาเรื่องนี้ตัวของอาตมาพูดเรื่องตัวอาตมาเองนั่นไม่ใช่เห็นธรรมะอันนั้นแหละเราไม่เห็นธรรมเราเคยได้ยินได้ฟังมาให้ทำความรู้สึกตัวที่รู้ตัวเองจริงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเรา แม้จะจับสายจีวรหรือจับนิ้วมือเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมเนี่ยคนไปตีโคมหมายว่าเห็นธรรมต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เข้าใจอย่างนั้นแต่คนฟังไม่เป็นไม่ไม่ฟังถูกอันนั้นแต่เข้าใจเองนั่นนี่อาจคนอื่นจะอาจจะวัตถุต้องกันได้หลวงพ่อบอกว่าบุถูก พอเห็นทำก็เห็นตัวเองกําลังทํากําลังพูดกําลังเคิดเนี่ยเรียาเห็นทำเห็นทำจริงๆเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่นี่ก็เห็นหลวงพ่อพูดอย่างที่นั่งอย่างนี้เอามือนี่ก็เห็นหลวงพ่อทำเห็นหลวงพ่อพูดจริงๆอันนี้เรียกว่าเห็นทำอย่างนี้หลวงพ่อแต่ว่าเห็นสีแสงผีเทวดานั้นเนี่ยหลวงพ่อเห็นน้ำมันไม่เป็นคงที่เรียกว่าเห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงขนั้นคนที่เห็นก็เห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงทําไมจึงไม่เป็นของจริง มันเป็นมายาของจิตใจมันลอกลวงคําว่าลอกลวงจึงว่าโอหกหลอกลวงสมถะกรรมาฐานเป็นไปรูปนั้นวิปัสสนาต้องเห็นแจ้งลู่จริงมืนตาเห็นฟังก็หูฟังจริงๆริงอ น, นันต์ต่าหลับตาเห็นนี่เป็นอย่างนั้นปิดหูไว้ไม่อยากได้ยินเสียงคนจังหวะสงบแบบไม่สงบสงบแบบไม่อยากสงบมันป็นอย่างนั้นดังนั้นการทํากรรมาฐานกับวิปัสสนาเนี่ยไม่เหมือนกัน เราต้องสำนึกดูให้ดีอันนี้หลวงพ่อเองเคยนะในสมัยบวชเป็นเจ้าหัวหนุ่มหกเดือนแต่ไม่ได้ได้ฟังหกเดือนไม่ใช่อย่างนั้นพอดีบวชเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็เลยสอนอุปาสอนพระครูวิสิทธิธรรมจารย์เป็นเจ้าคณะอำเภอเสียงคานสอนว่าให้รู้จักท่านก็สอนเรื่องอาบัติประสิทนี่แ่ะแต่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะทุกคนฟังและจาได้ แอบสัญญาเรื่องรู้ตัวเองเนี่ยหลวงพ่อรู้ดีคนอื่นจะรู้ดีก็หลวงพ่อไม่ได้ตัวหลวงพอ่อเมื่อหลวงพ่อมีอะไรเป็นบาดเป็นแผลอยู่ที่ไหนหลวงพ่อรู้ได้เห็นได้พวกคุณก็เช่นเดียวกันถ้ามีบาดมีแผลอยู่ที่ไหนพวกคุณจะรู้เองตําหนิอยู่ที่ไหนรู้เลยตําหนิแผลบ้านหลวงพ่อเรียกว่าตําหนิมีแผลอยู่ที่ไหนแต่รู้เองเนี่ยคนอื่นไม่รู้ก็เราต้องรู้นั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเรื่องการกระทํา วิปัสนาจิมะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองก่อนที่จะรู้เองนั่นะต้องทํำกลมเคลื่อนไหวอย่างที่พูดแล้วข้างต้นไม่ต้องนั่งนิ่งๆ น, นั่งพับเพียบก็ได้นั่งเยียดขาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้แม้ที่สุดนอนก็ทําได้ให้เคลื่อนไหวพลิกเคีย ง, ง, งตีงโตอยู่เรื่อยๆ อ, อย่านั้นเนี่ยทํา๋ยวทมเคลื่อนไหวอันนี้ทํามากเข้ามากเข้าเกิดยานเข้าไปรู้ยานไม่ใช่ว่ามุดหัวเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่หอก ญาตแปลว่าเข้าไปรู้เข้าไปรู้ที่ไหนเข้ามาลูตัวเองเข้ามาลูกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอะไรอยู่นี่เนี้ย ว, ว่าเป็นผู้ที่มีสติถ้าหากไม่รู้ในการทําการพูดการคิดแปลว่าคนไม่มีสติคนมีสติเดียคนมีสมาธิคนไม่มีสมาธิก็ไม่มีสตินั่นเองสติกับสมาธิเป็นคําเดียวกันนะให้เข้าใจว่าเป็นมีสติก็รู้ไม่มีสติก็ไม่รู้สมาธิก็แปลว่าตั้งใจนั่นเอง ถ้าไม่ตั้งใจแล้วมันไม่รู้จิตใจเรามันคิดไปร้อยอันพันอย่างเราไม่รู้แสดงว่าเราไม่มีสมาธิบัดนี้เราเห็นสีแสงผีเทวดานั้นก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิเราไปอยู่นอกตัวเราแล้วเราจึงเห็นเนี่ยลืมตาขึ้นไม่เห็นเนี่ยมันเป็นของไม่จริงเห็นจริงแต่เป็นของไม่จริงถ้าพูดง่ายๆกับว่าคนบ้าเหมือนันทั้งนั้นไทยคนบ้าเลยจึงเห็นเนี่ยของโบจรัสนุกเอาของโบจริงมาสอนก็เรียกว่าคนบ้าจังหวะบ้านี่มันหลายบ้า บ้าคนไม่รู้จริงเขามีบ้าคนรู้จริงเขามีเหมือน ก, นกันกับที่ว่าในประเทศอินเดียมีหลายละที่มีหลายอาจารย์พวกนั่งก็จะหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นบ้ามันสอนไปบ้าบอทีวันพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าพวกนั้นเป็นบ้าสอนไปโดยไม่จริงก็จะว่าอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้ามีการให้ทานมีการรักษาสิงมีการไปทํากรรมฐานกับอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้มากจนได้สมาบัติแตกจากนั้นมาพระองค์จึมงมานั่ง อดข้าวอดน้ําพวกเราก็อดข้าวทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ฟังให้ดีบทนเนี่ยพระองค์ตัดเอาไว้ว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติท่านสอนอย่างนั้นเราก็ยังไปทํานั่งภาว น, นาหลับตาย เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวบ้านหลวงพ่อเลยาว่าเจ็บเอวมึนเหมิดขาเนี่ยมืนเหมิดหลวงพ่อทำเนี่ยทางนี้อาจจะว่าเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวอาจจวทนเอาเวทนาหนอเวทนาเวทนาดูเวทนาเท่าไหร่นี่ก็แสดงว่าเราเบียดเบียนตนเองไม่ต้องบัด น, นี้พระองค์ไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มาก็มาอดข้าวอดน้ํา กั้นลมหายใจไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่พูดไม่คุยถือว่ากิเลสมันเป็นนำจริงเข้าวะสันให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่ออันนี้มันมีกิเลสเป็นนำจริงเข้านี่แหละมันมีกิเลสเป็นนํากินน้ํานี่แหละมันมีกิเลสเป็นนําพูดนําคุยนี่เด้อพระองค์อดทั้งหมดเลยไม่กินข้าวเลยกินข้าวเท่าวันละเท่าเด็กงาสันธนว่าตามปกติคนไม่กินข้าวมันต้องจ่อยต้องผอมมีแต่ ก, กระดูกกับหนังเอ็นรัดลึงกันเอาไว้สันาอย่างนั้น ทำเจนลุกไปไหนมาไห น, ไ, หนไม่ได้ทำขนาดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราทุกวันนี้ก็ยังอดข้าวอดอาหารการกินทุกอย่างอดกันไปแสดงว่าเราไม่รู้ไปสวยจับเอาคําพูดของลาธิอื่นอาจารย์องค์อื่นสอนในประเทศอินเดียมาทํานึกว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเราไม่ศึกษาไม่สนใจตัวเองไม่ฟังคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้า ใครพูดที่ไหนในประเทศอินเดียถือว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราต้องเข้าใจพวกเรามาที่นี่ถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะหลงผิดดังนั้นทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวิ น, นัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาควรปฏิบัติทันไว้ดังนั้นพระองค์ได้ตัดสู่เพราะการทําทางจิตทางใจว่าอย่างนั้น เราเคยทํายังไงทําจิตทำใจเราไม่เคยรู้เลยหลวงพอ่อทํามาจนกระทั่งอายุสี่สิบหกปีไม่เคยรู้จิตใจมันนึกมันคิดยังไงไม่เคยรู้เลยเป็นอย่างนั้นการ ท, ทําทางใจเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องหลับตาไปไหนมาใจมันก็นอยู่ที่เรานี่เรากําลังทําการทํำอะไรมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้นี่จิตมันคิดปุ๊บใจมันคิดนะรู้สึกตัวทันทีเพราะเรามีสมาธิสมาธิจริงวัดตั้งใจมัน่น ไม่ใช่สมาธินั่งอย่างสิอันนั้นสมาธิแบบอยากรู้แบบแบบอยากไม่รู้หลวงพ่อหลงเมื่อกีน้นี่สมาธิแบบนี้แบบอยากไม่รู้อยากไม่รู้อะไรคนกายไปก็ไม่เห็นจีว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยหลวงพ่อทําอย่างนั้นจีว่าสมาธิแบบนั้นรู้อย่างไม่อยากรู้มันคิดไปอย่างนั้นจีวามันไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อพูดภาษาบุนหลวงพอ่อนั้นนี่แต่คนอื่นจะเห็นไปอย่างไงก็แล้วไปแต่หลวงพ่อพูดของจริง เพราะมาที่นี่ต้องการของจริงต้องพูดข่มจริงให้ฟังเป็นอย่างนั้นดังนั้นวันเวลาไม่คอยใครชีวิตจิตใจเรานั้นน่ะคนอื่นจะรู้ดีกว่าเราไม่ได้เราต้องรู้เราเองเพราะวันเวลาของเราเราต้องรู้ดีเวลานี้เวลาเท่านั้นคนอื่นมองเห็นจะว่าเวลาเท่านั้นก็ไม่ได้ดังนั้นคนไทยต้องรู้ไปอย่างนี้คนภาษาอินเดียจะพูดยังไงไม่รู้ดังนั้นคนไทยไปแปลภาษาอินเดียเข้ามาสู่ภาษาไทยเนี่ยต้องเก่งภาษา ถ้าแปลผิดนิดเดียวก็ไม่ได้อย่างที่บ้านของเพราะว่ากําลังหานั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นโยมก็เรียกว่ากินข้าววะท่นทางนี้จิว่ายัางไงไม่รู้มาได้กินข้าวเนี่ยเรีว่ากินข้าวคันถ้าเป็นโยมบางคนผู้มีเกียรติรับประทานอาหารเนี่ยว่าอย่างไรหาเรียกว่าสันเนี่ยแต่ควรเดียว่ากินข้าวนี่ยในประเทศอินเดียจะว่าอย่างไงไม่รู้แล้วคนจีนจะว่ายัางไงไม่รู้เนี่ยการพูดมันเพี้ยนไปเลย ดัง น, น, นั้นจีวาคนไปหาเอาพุทธศาสนามาจากประเทศอินเดียเอาใบโพที่พระพุทธเจ้าตัทสรู้น่ยจับมาให้คุณไทยว่านี่ใบโพพระพุทธเจ้าตัทสรู้อะเอามากลาบมาไหว้กันบางคนเอาไปขายเอาเงินก็ได้นะหลวงพ่อเห็นพาไปอินเดียเอาใบโพมาขายแล้วก็ดีเอามาขายให้ได้เห็นใบโพอัอ้าวใบโพบ้านเราก็มีไปซื้อยังไงอย่างนั้นถ้าไปฟังก็จะไปฟังอินเดียพูดน่ยพระพุทธเจ้าตัทสรู้เพราะการทําอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เอาอดีตมาเผยแพร่ แล้จะดีมากหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจไปเอาใบโพมาแล้วก็มาสอนใะคนนั่งหลับตาอย่างนี้อันนั้นแหละแสดงว่าไปเอามาแล้วมันไม่ตรงตรงใต้ใบโพนะอาจจะไม่ต้นนั้นหรือต้นไหนกระบอกหัจักใต้ใบโพเนี่ยพ่อโบเห็นพระพุทเจ้าจะตัดสรุปต้นกระบอกหัจักหรือไปตัดสรุปแบอื่นกระบอกหัจักแล้วไปซวยจับเอามานั่งหลับตาเนี่ยหลวงพ่อว่ารับรองบอกว่าโบแมนแทะทํ า, า, ามทไมจริงว่าโบแมนมาท่าน ย่อพระพุทธเจ้าว่าเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายกระไว้ฟังนะทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาไม่ควรปฏิบัติในทันว่าแล้วนั่งเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวอยู่เนี่ยมันก็บีบเบียนตนเฮาเซน่าอันเนี่ยและบกบิกขนข้าวบกินน้ำก็บีบเบียนตนเฮาเซน่าอันเนี่ยจีว่ายังไงหรือหมู่คนจีว่าชนใดเขาบอกเขจักเบียดเบียนตนเฮาบครับบกินข้าวหรือ ย, อยังได็กเออ แล้วก็นั่งเจ็บแข้งเจ็บขาโบพิดโบพีดนี่พีดเบี่ยนตนเห่าโครับเนี่ยไปสอนผู้อื่นกับพีดเปี่ยนผู้อื่นสัญญาอันนี้จีวะยังไงได้ไปคิดยังไงทั้งสันอันนี้หลวง พ, าวาพ่อว่าผู้เดียวหลวงพ่อนะอันนี้เพราะว่าอุปศ า, าว่าให้หลวงพ่อฟังว่าในประเทศอินเดียมีรอยแปดถิติรอยแปดนิ่งกาย แ, แล้วพัจจิเป็นมิสสาธิติพัจจิเป็นสมาทิฏฐิพัจจิมาตริติให้เหาบิ่นคนอื่นจะรู้ดีกว่าเหาใดไหมรู้บ่ได้ใจเหาคิดอยากไปฆ่าคนนั้น ใจเขาคิดจะไปกล้าไปไหว้คนนั้นคนอื้อจีเห็นวะบวุเห็นจังหวะเมื่อทําไปทํามาหลวงพ่อรู้ตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อรู้เลยหลวงพ่อเข้าใจโอ้ยกมือไหว้ตัวเองวิธียกมือไหว้ตัวเองต้องทําอย่างนี้เขาจับนี่ให้เด็นเขาจะดีก็ได้เป็นก็ได้มันจะดีใตาตัวเองตอนั่งอย่างนี้เน่ยยกมือไหว้ตัวเองทันทีเลยหลวงพ่อทําอย่างนี้นีงอมือมาอย่างนี้ ขณานี้เราได้มีดียังได้ท่าเห็นจิตเห็นใจตัวเองมันนึกมันคิดมันมองไม่เห็นเลยอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตานี่เห็นใจมันเห็นเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญารอบรู้อันนี้รอบรู้คือมีอะไรเข้ามาอยู่ที่นี่น่ะมีอะไรบินเข้ามานี่ต้องเห็นบันทึกใจแล้วก็เหมือนกันมีอะไรต้องเห็นท่านว่าพอแม่ปู่ยาจา ย, ายบอกเลยว่าอ้ ว, วองซอกยาวานาคืบ อ, อันนมีพร้อมแล้วทางสัญญาและใจอันนี้น มีพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้เราศึกษาที่ตรงนี้นก็เลยเห็น จ, จิตใจโกรธเกลียดเคียดแค้นแน่นใจปิษาลิสยาเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เห็นจริงๆแต่ไม่ใช่ใจเรานะมันแว บ, บเข้ามาเท่านั้นเองก็เลยรู้ออยกมือไ่ว้ตัวเองคันทางซีก็ได้ไดการปฏิบัติแบบนี้ไม่กำหนดจะถือศาสนาใดก็ได้จะเป็นสาวพุทธก็ได้เป็นสาวคิดก็ได้ เป็นชาาวอิสลามก็ได้หรือเป็นศาสนาพรามณ์ก็ได้ศาสนาฮินดูก็ได้ได้เห็นโมพันมาศาสนาเต๋าศาสนาเซนอะไรกันตามได้ทางนั้นพอศึกษาตัวเองเนี่ยว่าศาสนานั้นศาสนานี้มันเป็นสมมุติเท่านั้นเองศาสนาพุทธกัสมมุติศาสนาพราหมณ์ก็สมมติศาสนาฮินดูก็สมมุติก็คนนั่นเองตัวคนทุกคนน่ะเป็นตัวศาสนาตัวพุทธศาสนาคือตัวรู้นี่แหละเนี่ยรู้อันนี้แต่ไม่ใส่รู้แต่พอท่านี้นะ รู้มากกว่านี้นะดังนั้นที่นามธรรมะมาเล่าสุฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาแล้วท้ายที่สุดนี่ผมหรืออาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระนาราสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดรรกจใจของพวกเราให้พวกเราทําความรู้สึกตัวตื่นตัวทําความรู้สึกใจตื่นใจ เอาสนะตัวให้ได้ในขณะนี้และให้พวกเราได้พบได้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ดังนั้นขอให้พวกพวกเราทุกคน จงประสบพบเห็นเอาในสวิน้จงทุกๆคนเธอเพราะเวลามาจริงหมดจริง